เมื่อหลายให้10ปีก่อนนะมีเด็กชายคนหนึ่งที่เจขวบเป็นคนรักธรรมชาติมากนะชอบหนีเที่ยวไปชมนกนะไปชมธรรมชาตินาน า, นาชนิดโดยเพพาะสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหดืเพพาะนกนี่ชอบมาก แต่ก็ชอบตกปลาด้วยวันหนึ่งตกปลาเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะมันมีอะไรไปทิ่มตาจริงก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะแต่ว่าเด็กก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ตอนหลังเนี่ยแผลมันก็ลามนะจกนกระทั่งเลนตาเนี่ยมันขุ่นมัวท้ายเนี่ยก็ต้องลอกเลนตาออกผลก็คือว่า มองอะไรไม่ค่อยชัดโดยเพราะมองไกลๆแต่ก่อนนี่ชอบนะดูนกนะแต่ว่าตอนนี้ดูไม่ค่อยได้แนละเพราะว่ามันดูไกลๆไม่สะดวกจะดูได้ก็เฉพาะสิ่งใกลๆ้ๆแล้วก็เล็กๆนะก็เรียกว่าไม่มีโอกาสเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ได้ชื่นชมธรรมชาติ แต่การที่เขาเนี่ยเห็นได้เฉพาะสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีภาษีดีกว่าเด็กคนอื่นก็ตรงที่ว่าสามารถจะเห็นมดนะเห็นมแมลงตัวเล็กๆได้ชัดกว่าคนอื่นด้วยมองเห็นนกไม่ค่อยได้นะไม่ชัดแต่มองเห็นมดเห็นมแมลงเนี่ยได้ชัดกว่าเด็กทั่วไป เก็เลยมาหันมาสนใจเรื่องมดเรื่องมแมลงแล้วก็ศึกษาเรื่อยมาด้วยความรักจนกระทั่งพอข้าเหาวิทยาลยนีย่ก็เรียนแต่เรื่องนี้แหละเ ร, หเรื่องมดเรื่องแมลงจบแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ก็ศึกษาวิจัยเรื่องมดเรื่องมแมลงนี่แหละเพราะว่าเรื่องอื่นไม่สะดวกตาไม่ดี ทยเนกาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมดนะเป็นาศาสตร า, า, าจารย์ที่เก่งที่สุดนะในเรื่องของมดจนได้รับฉา ย, ยาว่ามนุษย์มดนะตอนที่เขามีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องมดได้ดีกว่าเขานะอาจารย์คนนี้ชื่อเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันซึ่งมีชื่อมากนะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องมดอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่อง อื่นๆด้วยนะเพราะว่าเขาฉลาดในการเชื่อมโยงเรื่องธรรมชาติของมดเข้ากับพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่นๆรวมทั้งคนด้วยแล้วต่อหลังเขาก็มากระตุ้นให้คนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่าเรื่องที่เขาโดดเด่นที่สุดนี่ก็หนีไม่พ้นเรื่องมดนะ ก็เป็นคนแรกนะที่ประเมินว่าเนี่ยมดทั้งโลกเนี่ยนะมีประมาณหมื่นล้านล้านตัวและที่เขาประเมินนี่ไม่ได้ดาวนะหรือว่ายกเมฆนะแต่ว่าเขาศึกษาอย่างทปลุโปรง่งไปทุกทวีปทั่วโลกนะเพราะว่ามดนี่มันมีอยู่ทั่วเรียกว่า เกือบทุกทวีปเลยนะยกเว้นคควโลกตายนะตอนนั้นเนี่ยมีมดหมดนะแม้กระทั่งบนเขาสูงที่หนาวก็ยังมีมดเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าเนี่ยมดนี่มันมีจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะ มันก็จะหนักประมาณ12เมกะตันซึ่งหนักกว่าน้าหนักของนกทั้งหมดในโลกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกในนมสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยรวมทั้งมนุด้วยนะทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งนกเนี่ยที่มีอยู่มากมายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน้าหนักเนี่ยยางสู้มดทั้งโลกที่รวมกันไม่ได้โอ้โหงเล็กๆกระเจ็ดเล่นนี่มันมหาศาลนะ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าการที่เขาเนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนะก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะมองอะไรไกลๆได้แต่ว่ามันก็ทําให้เขาสามารถที่จะมองอะไรใกล้ๆเล็กๆได้ดีกว่าคนอื่นแล้วเขาก็มาเอาดีทางนี้นะในการที่คนเราเนี่ยมองอะไรไกลๆไม่ได้เนี่ย มองได้แต่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าไปมันก็เป็นจุดอ่อนนะเป็นข้อเสียเปรียบแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้เ้ามีข้อได้เปรียบนะก็คือว่ามองมดแล้วก็มแมลงได้ชัดกว่าคนอื่นแล้วพอเข้ามาเอาดีทางนี้นี่เขาก็เรียกว่ากลายเป็นเลิศเลยนะไม่มีใครสู้เขาได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมดแล้วก็มแมลงนะเรียกว่าเปลี่ยน จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งมีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเกิดอุบัติเหตุตอนอายุสีขวบต้องตัดแขนซ้ายทิ้งกลายเป็นคนพิการไปเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยแกชอบยูโดรักการเล่นยูโดมากตอนหลังเนี่ยก็ไปขอเรียนกับอาจารย์เมื่ออายุส0ขวบนะ อาจารย์คนนี้ก็มีชื่อนะอาจารย์เห็นสารุรุแล้วก็ไม่ให้เรียนนะจะเล่นอยู่โดได้ไงนะมีแขนข้างเดียวแต่เด็กคนนี้ไม่ยอมแพ้นะนั่งอยู่หน้าสํานักตื้อเนี่ยทั้งคืนเลยจนอาจารย์เนี่ยเห็นความมุ่งมั่นก็เลยใจอ่อนยอมสอนให้แต่มีข้อแม่นะบอกว่าเนี่ย อาจารย์จะสอนวิชาพื้นฐานให้ทุกกระบวนท่าเลยแต่วิชาชั้นสูงเนี่ยสอนให้ท่าเดียวอันเด็กก็รู้สึกผิดหวังนะถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงตั้งใจจะสอนผมแค่ท่าเดียวอาจารย์ก็ตอบว่าเนี่ยก็เธอมีแขนข้างเดียวเนี่ยนะรู้ท่าขั้นสูงเนี่ย แค่ท่าเดียวก็เกินพอแล้วเด็กฟังก็รู้สึกใจเสียนะแต่ว่าก็ยังดีใจที่อาจารย์รับสอนให้ก็เรียนอาจารย์คนนี้ยด้วยความตั้งใจนะและอาจารย์ก็ทําอย่างที่พูดนะ่ะสอนวิชาพื้นฐานท่าพื้นฐานได้หมดเลยแต่ถ้าสุดยอดหรือว่าท่าขั้นสูงเนี่ยสอนแค่ท่าเดียวเด็กคนนี้ก็เรียนท่าเนี่ยมันเป็นท่าทุ่มนะ เรียนท่าเนี่ยท่าเดียวเลยนะหกเดือนจนคล่องแคล่วชำนาญนกันี่พอเรียนจบนะธรรมดานะก็ต้องมีการแข่งขันเด็กก็อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันยูโดโระดับประเทศนะแม่ก็พ่อแม่ก็ไม่อยากจะห้ามปรามนะเพอรู้ว่าเนี่ยลูกคงจะไปไม่รอดหรอกนะ มีแข่งข้างเดียวแต่เมื่อลูกตั้งใจก็สับสนุนหน่อยตอนที่แข่งกันนัดแรกนะพ่อแม่ก็มาไม่ได้เตรียมให้กําลังใจนะ้มาเตรียมปลอบใจเตรียมปลอบใจลูกที่เชื่อว่าคงจะแพ้แต่ปรากว่าลูกชนะนะเด็กคนนี้ชนะในการแข่งนัดแรกเพราะว่าความอดทนนะแล้วรู้จักคอย แกก็จะคอยใช้ท่าไม้ตายเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยรอจกนกระทั่งคู่ต่อสู้เผลอก็ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยทุ่มก็ชนะและพอผ่านพอเข้าสูนัดพอแข่งขันนัดต่อต่อไปเนี่ยแกก็ใช้ท่าเนี่ยนะท่าทุ่มเนี่ยแหละเป็นท่าเดียวเลยนะแล้วปรากฏว่าสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่า จนกระทั่งทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศนี่นะคู่ต่อสู้นี่เป็นแชมป์เก่านะตัวสูงแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ได้พิด ก, การด้วยนี่ข้อสำคัญใครๆก็คิดว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยนะก็คงจะแพ้ไอนะ้ที่เข้าทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วใครเก็รู้นะว่าเด็กคนเนี้ย มีท่าไม้ตายอยู่ท่าเดียวนะเพราะว่าท่าอื่นเนี่ยครูไม่ได้สอนและตัวเองก็ไม่ได้ฝึกด้วยแต่พอเล่นไปเล่นไปนะบอกว่าในที่สุดเนี่ยเด็กคนนี้ก็สามารถที่จะทุ่มผู้ต่อสู้ที่เป็นแชมป์เก่าได้ด้วยท่าที่เป็นไม้ตายโอ้เด็กดีใจมากเลยนะคนอื่นก็ดีใจนะไม่น่าเชื่อเลยนะเด็กแขนเดียวนี่ชนะเลิศยูโด นเด็กเนี่ยพอได้รางวัลเนี่ยก็ตรงไปหาอาจารย์เลยแล้วก็ถามอาจารย์ว่าทำไมเนี่ยแค่ท่าเดียวเนี่ยนะจึงสามารถทำให้ผมเนี่ยชนะเลิศได้เป็นไปได้ยังไงนยอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเธอรู้ไหมไอ้ท่าที่ทันสอนเธอเนะ่มันเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของยูโด และวิธีแก้ท่านี้เนี่ยมันมีวิธีเดียวนะที่คู่ต่อสู้จะทำได้คือจับแขนซางเธอเนี่ยแล้วก็ทุ่มพูดจบนะั้นเด็กก็มาดูแขนซางตัวนะแขนซางตัวไม่มีให้คู่ต่อสู้จับเพราะนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยก็เลยไม่สามารถจะแก้ท่าไม้ตายเนี่ยของเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้นะ มีจุดอ่อนนะก็คือมีแขนข้างเดียวแต่สุดท้ายมันกลายเป็นจุดแข็งนะที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะไม่มีแขนซ้ายนะจะจับเพื่อทุ่มก็กลายเป็นว่าจุดด้อยนี่กลายเป็นจุดเด่นนะจุดอ่อนก็เป็นจุดแข็งอาจารย์ก็รู้นะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีจุดอ่อนแต่ก็สามารถจะใช้จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้คนเราเนี่ยนะ ไม่ว่าจะมีอะไรแค่ไหนแม้จะมีน้อยแต่ถ้าทำให้เต็มที่มันก็เกิดประโยชน์มากมายแม้จะมีจุดอ่อนแต่ถ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดแข็งมันก็ทำได้หรือที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แค่ไหนนะอย่างเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันเนี่ยนะตาเขาไม่ดีเลยนะมองได้แต่เฉพาะสิ่งเล็กๆใกล้ๆตัว แต่พอเข้ามาเอาดีทางนี้นี่นะก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะเรื่องมดแล้วก็กลายเป็นนักวิชาการที่สามารถจะให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติได้มากมายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าผลงานนี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับนะทั้งหมดนี้นะเป็นเพราะว่าตาเขาเนี่ยมองนกไม่เห็นมองนกไม่ชัดก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ